เปิดล้เอาคับเปแล้วค่ะตังัอาคุณพ้องถามอะไรถ้ารามของอ้ะอาจารย์ครับสมมติว่าเราไปขโมยของนะคะณขณะนั้นเราก็กำหนดรูปการกระทาของเราอะค่ะว่าว่าเรากาลังทาแบบนี้แบบนี้ก็ถ้ารู้ตัวว่าขณะนั้นว่ามันเป็นกรรมก็จะหยุด แต่ถ้าไม่รู้ตัวความไม่รู้ครอบกรรมก็จะทำต่อกรรมก็จะสืบต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นกรรมไปเรื่อยๆต่อเนื่องจนขโ อ, อยเสร็จสิ้นแล้วได้ขอมาครอบครองของนั้ไมมารู้ตัวกีหลังอีกว่าเอ้ยเราไม่น่าเอาเอาของขบมงเอาไปคืนก็ยังได้ก็ได้สร้างกรรมใหม่เอาของไปคืน แต่ถ้ามันไม่รู้เลยครอบงาไปจนยินดียึดถือว่าเราได้ของที่มาเป็นของตนเองเป็นของเราของเราที่ไหนของเขาแต่ในคูอความหลงเท่านั้นแหละใช่ไหมล่ะพก็ความหลงมันครอบงาอยู่พอครอบงาอยู่มันก็ยึดมั่นถือมั่นติดใจยินดีหวงแหนหวงกั้นว่าเป็นของตนขึ้นมาโดยความคิดผลตัวเองไปเอาของเขามาใหม่ๆแต่เข้าใจว่าเป็นของตัวเองไปแล้วเมื่อหวงแหนหวงกั้นมีคนจะมาเอาของอันที่ตัวเองเอามาเนี่ย ก็ต้อปกป้องต่อสู้กันเพื่อไม่ให้ของเนี่ยไปเป็นของคนอื่นที่แท้แล้วไปเข้ามายังไม่รู้ตัวก็เป็นเรื่องความโลงกับผลต่อกันไปอีกเรื่อยๆอุปทานยึดมั่นถือมั่นข้ามภพข้ามชาติเกิดอีกก็เป็นอย่างนี้เกิดอีกก็ก็ได้รับบิบากได้รับผลโดยการที่ได้ของไหนมาก็ตามก็สูญหายไปชิบหายวไยบอดไปไม่มีใครมาขโมยไฟก็จะไม่น้ําก็จะท่วม ต้องสูญเสียต้องมีเหตุให้สูญเสียหากรู้ตัวขนะนั้นหยุดปั๊บไม่กระทำปั๊บดับพึบ้กำดับแล้วเรียบร้อยอ <c oughs> จบ <c oughs> มันแค่นี้มันไม่มีอะไรมากมายมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยถ้าพูดเรื่องทีเป็น อ, องคุลิมานะะที่ค่าคนค่าคนค่าคนใ น, ในขณะที่ค่านัน องคุลิมานก็ยังไม่ได้รู้กรรมไม่ได้คิดถึงเรื่องกรรมตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ได้คิดแต่อันนั้นไปคิดได้ตอนที่ผู้จ้าบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านทํทาไมยังไม่หยุดจึงคิดได้เห็นไหมผู้จ้าบอกให้หยุดไงรู้รู้ว่าตัวเองทําอะไรลงไปตอนแรกไม่รู้ว่าทำทำอะไรลงไปอาหิงสากาผู้ย่าบอกอาหิงสากาผู้ไม่เบียดเบียนชื่อเธอแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนไม่ใช่เหรอรู้ตัวไหม พี่เจ้าว่ายไงไอ้หิงสกัดคือชื่อเดิมไงใช่ไหมชื่อเดิมแล้วผู้ไม่เดียดเบียนพราะเริ่มรู้รู้ขึ้นมาเริ่มเห็นว่าอ๋อเราฆ่าคนนี่เราเบียดเยียนคนนี่เราทําร uh ้ายคนไอ้หิงสกัดไม่ใช่โจรโดยกําเนิดโดยโดยโดยเขาเรียกว่าโดยสันฐานนะเป็นพทอดถูกหลอกลวงหลงผิดโดยอาจารย์เป็นผู้วางอุบายว่าต้องฆ่าคนให้สําเร็จได้ได้ยิ้วมา หนึ่งพันนิ้วเราถึงจะมอบวิชาสุดยอดและเธอจะจบวิชาที่เรียนมาทั้งหมดในมน์ของเรานี้เธอจะเป็นผู้จบมน์ในสัมนกของเราเป็นผู้สำเร็จวิชาทำด้วยความหลงอย่างนั้นพอมารู้ตัวแล้วปั๊กก็ความหลงก็ไปคอบมงาเนี่ยก็ลืมสำนึกกรรมโพนั้นที่ทำมาทั้งหมดก็ขาดสะบันลงไปเลยทีนี้ ยยแต่ถ้าเรานึกถึงมันอยู่นึกึมันอยู่ก็ยังไปเกิดอยู่ปไปชดทลาไปตกนรกเป็นกรรมใหม่เป็นกรรมให ม, ม่ไปตกนรก แ, แต่พอนึกรู้สึกตัวได้ปั๊บดับปึ๊บการสืบต่อที่จะฆ่าไม่มีหยุดเลยทีนี้ตามพวกนี้ก็ขาดสายลงไปตัวนี้ดับปุ๊บรู้ปุ๊บดับปุ๊บตัวนี้ก็จะดับไปโดยลําดับก็เข้าสู่ทางอริยามรร ถ้าาดึกเฉยเฉยไม่มีนี้แล้วเราก็มไม่ไดก็อะไรนี้ก็กนให้รู้ให้รู้รด้วย<อ>ด้วยอริยมรดุด้ว ย, ยด้วยอริยมรกุด้วยว่ามันคือขนาดขนาดแห่งการเกิดและขนาดแห่งการตายแล้วถ้าจะอธิบายอาริยสัจให้ขนาดนั้นก็ให้เข้าใจว่าขนาดที่คิดเป็นกรรมหนึ่งหรือมโนกรรมกรรมหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในขณะที่คิดความคิดจัดเป็นสังขารขันสังขารขันเป็นภูกษษษิคสัจจ์เหตุให้เกิดสังขารขันคือความไม่รู้ใช่ไมคือในความไม่รู้นะ่ะมันจะมีความอยากในนีในในั้นอยากแสงแสงอ่อนๆแต่ความไม่รู้มันจะมาก่อนและจะสร้างความอยากก่อให้เกิดความอยากเป็นตัวชักนําจิตให้คิดเรื่องนั้นย้ำแล้วย้ำอีก คือไปคิดถึงเรื่องเก่าๆกรรมเก่ า, กาๆสิ่งที่ทําเก่าๆนํามาซึ่งความเศร้าหมองในปัจจุบันซึ่งแต่ก่อนไม่ได้คิดมันก็ไม่เศร้าหมองแต่พอไปคิดถึงมันก็เศร้าหมองถามว่าอยากคิดไหมมันไม่อยากคิดแต่ด้วยอํานาจของอวิชชาซึ่งอยู่เหนือ <S <S <S เหนือเจตนาเนี่ยมันมันเข้ามาแทรกในขณะแห่งจิตที่หลงมั ง, งายถูกล่อลวงให้คิดขึ้นมา <c oughs> ไปถึงเรื่องเก่าๆทีนี้มันก็มีแรงแห่งความอยากที่จะอยากจับ คือไม่อยากจะคิดพ่อมาเศร้าหมอไอยาคันเนี้ยก็คืออวิชชาก็คือตัณหานั่นเองไม่อยากก็คือตัณหานั่นเองเนื้อกระนั้นมันฟั่งผมมีจิตแต่ว่ามันก็ไม่อยากไม่ไม่อยากคิดนั่นแหละแต่ความตรงนั้นที่มันก็มันผุดขึ้นมาเองมันถูกต้องมันผุดขึ้นมาปล่อยให้มันผุดขึ้นและปล่อยให้มันดับอย่าคิดต่อจากสิ่งที่ผุดเกิดขึ้นถ้าเราไม่คิดต่อก็คือดับกรรม พอทันเราคิดต really ่อก็เป็นการสร้างกรรมต่อจากเรื่องที่เกิดขึ้นพอเข้าใจหรือยังอพอเรารู้การดับไปก็เป็นนิโรธการปฏิบัติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี่คือทุกข์โดยการกําหนดรู้นี่คือเหตุที่เกิดคือทุกข์คือถ้าเราไม่อยากดับมันไม่คิดต่อจากมันอย่างมันก็ไอตัวนี้อาจจะเป็นพวกเหตุทั้งหมดเราเราดับมันได้เราไม่ทําตามเราไม่ตอบสนองเราไม่กระทาต่อทั้งหมดนีย คือมันก็จะหยุดตรงนั้นเพราะมีความรู้เข้าไปแล้วว่าถ้าเราไม่กระทาตอบมันก็จะดับตัวเข้ามันเองเราก็จะไม่ได้สร้างกรรมใหม่ก็เป็นนิโรธก็รู้ความดับของกรรมในเวลานั้นก็คือมรรคที่จเจริญแล้วอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆมรรคเจริญแล้วจะไปไ ป, ไปสร้างโคตระพูยานแล้วก็มัรคยานแล้วก็ผลละยานแล้วมันจะไปประหารตัวอวิชชา ไปทำลายล้างอาวิชาในความเิ็นผิดทำลายทำลายล้างในความเห็นผิดที่มีอยู่มันก็จะไม่เห็นผิดอีกจะไม่หลงยึดจับสิ่งที่ล่วงไปแล้วมาเป็นปัญหาในชีวิตในปัจจุบัน <c oughs> เคยทำอะไรกับตารโรดไหมหนุน่มมีเป็นลายอะไร <c oughs> วันนี้ยังนึกถึงนานมันยังนึกถึงอยู่คันเมื่อกี้คุณน้องถามเรื่ององค์ุลิมานเนี่ยค่ะก็กระยอมไปถ้าหากว่ายังอยู่ต่อไปคงจะสร้างกรรมอีกเยอะสร้างกรรมเยอะแลมือนอันนี้ก็เลยเหลือว่าอนี้แค่ลองลึกถึงนออย่าค่ะองค์แค่องค์ุลิมานก็อันนั้นฆ่าคนแต่อันนี้มันไม่ได้ฆ่าคน แต่ว่ามันสมเหตุสมผลมันเหมือนสร้างาให้ตัวเองติๆๆ๊กติ๊อ่ะเคยไม่ได้จำหนิพระประสง์พระอะไรตามอาจารย์สอนว่าเราไปหาอาจารย์ผิดในกรณีนี้อาจจะไปหาอาจารย์ถูกก็ได้แล้วมาเจออาจารย์ถูกกันเลย ไ, ไม่ไปหาอาจารย์ <c oughs> ถูก <c oughs> เพื่อเรียนรู้สิ่งที่ผิดอ๋อค่ะเนาะทำไมอย่างนั้นก็ไม่รู้จักเราบบ้านที่อาตมาสอนอยู่เนี่ย ผิดหรือถูกใช่ไหมใช่ไหมต้องไปเรียนอันผิดก่อนครับคนมาแล้วไปทิ้งไปยัู้กลัวเยี่ยเย่ยมเเข้ามาแค่แค่เอามาเนี่พัน กราตัวเองเป็นกันซักคำอีกเยอะเพื่นู้แตกันนั่นสิ่งที่เราลบแต่เรียนรู้แล้วึงจะรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่ถูกต้องถ้าเราเข้าใจแล้วมันไม่มีอะไรลึกล ร, ร, ร, ร, ร, รับซับซ้อนหรอเพรไม่แต่เรื่องกรรมเรื่องจิตเรื่องบีญญาณเรื่องอะไรมไม่มีอะไรซับซ้อนเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องกิเลนเรื่องอสาสวะหากเราเข้าใจการเกิดการดับแล้วทุกอย่างมันไม่ได้มีไม่ได้มีอยู่จริงเกิดแล้วกระดับไปนี้แล้วหายไป กูงุ็ได้มาก็ไปหาชั้นผิดก็เลยหลงผิดอ้อนกูเองแต่ถ้ามาแบบจุดที่ถูกแล้วไม่เข้าใจก็ถือว่าเป็นหลงถูกหลงถูกก็ผิดอย่างหนึง่งหลงในอันที่ถูกก็ถูกก็ผิดอันหนึง่งรู้ว่าถูกแต่ตัวเองไม่เกิดปัญญารู้สักทีนะก็คือหลงรู้แต่ว่าถูกอย่างยอ่อ ที่รู้ถูกชอบไปเทียบอันผิดเ้าเรียกว่าหลงถูกแต่ถ้ารู้แจ้งภายในตนเองจะไม่หลงถูกจะรู้ถูกว่าถูกจริงๆเพราะมันมันแจ้งชัดด้วยสติด้วยปัญญาของตอนเองประจักษ์ชัดแล้วนั่นคือเึงจะว่าเป็นการรู้ถูกไม่ใช่หลงถูกก็รู้ถูกมารู้ผิดมาเออก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็รู้ถูกรู้ผิดยังรู้อยู่แต่ดีกว่าหลงผิดหลงถูกนะ พูดถึงตะกี้ที่น้องเอฟพูดถึงเรื่องของวิบากกัรนะคะทีนี้เราเกิดมาหลายพวกหลายชาตินะคะวิบากกันมแล้วก็มันติดตามตัวเหมือนเงาที่รอาจารย์ว่าแล้วแลวิบากอันไหนมันจะเรียงมากันยังไงคะว่าอันไหนจะมาก่อนมาหลังอันไหนจะอข้ามไปก่อนยังไงคะเพราะว่ามันเยอะมากคใช่มันเยอะมากมันจะเรียงลำดับกันยังไง อยู่ที่กำลังของวิบากมากกำลังมากกำลังน้อยและอยู่ที่ขนาดแห่งจิตปัจจุบันของเราด้วยขณะที่จิตเราเศร้ามองมันก็จะไปดึงกรรมวิบากที่เป็นอกุศลแต่ฟังก่อนดึงอกุศลวิบากทั้งหมดเข้ามาสู่จิตที่เศร้ามองนี้มันอะไรก็ตามที่มันมีผลรุนแรงก็จะให้ผลก่อนในขณะที่จิตเศร้ามองเพราะจิตเศร้ามองจะมันไม่แค่เศร้ามองในขณะนั้นนะมันจะไปดึง เลือกที่มันไม่ดีแต่ก่อนก่อนขึ้นมาให้ผลแต่ถ้าจิตให้ทุกอย่างถ้าจิตผ่องใสมันก็จะไปดึงกรรมวิบากที่ดีที่เป็นกุศลธรรมมาให้ผลในขนาดนั้นด้วยเพราะฉะนั้นงบอกว่าชาระจิตที่ผ่องใสบ่อยๆก็จะคิอว่าเป็นการละบาปสร ki ki hai, ้างกุศลจิตผ่องใสก็มันจะนํามาซึ่งความเจริญต่างๆนานาได้ดีขึ้นแม้แม้ว่าความผ่องใสที่เกิดจากจิต ของกุศลกรรมแม้มันจะเป็นกรรมก็ตามแต่เป็นกรรมที่ควรจเจริญกรรมที่เป็นอกุศลเป็นกรรมที่ควรละ ก, กรรมที่ควรจเจริญก็จเจริญจนถึงระดับที่เป็นมัคจิตเมื่อถึงมัคจิตแล้วความดับกรรมทั้งหมดก็จะถูกดับแม้กุศลกรรมก็จะถูกดับจะไม่สืบต่อมันจะล้างระบบของกรรม อาจารย์บอกว่าให้เราหมั่นนึกถึงที่เรานึกถึงบุญที่ทํามาบ่อยๆเพื่อเพื่อเอามาให้จิตผ่องใสไม่งั้นถ้าจิตมันเศร้าหมองจิตมันพร้อมที่จะเศร้าหมองได้ตลอดเวลามันจะไปดึงกรรมแต่ปาง ก, ก่อนขึ้นมาให้ผลไม่รู้ทําอะไรมาบ้างมันจะดึงมาดึงมาดึงมาเพราะเงาเงาที่ติดตามตัวมันคอยจะให้ผลอยู่แล้วแต่ถ้าจิตผ่องใสยอยู่มันให้ผลไม่ได้เหมือนกับเราเปิดไฟความมืดก็เข้าหาไม่ได้แต่ถ้าเราปิดไฟความมืดเข้ามาครอบําได้ เปิดไฟปุ๊บมันก็ไล่ความมืดออกไปข้างนอกนู้นมันยังไม่ให้ผลในเวลานะแต่ความมืดนี้ไหมมีแต่เราเปิดไฟอยู่จิตฟองไสอยู่กาลังแรงกว่ากาลังแรงกว่าแล้วเวลาไปไปเรียกวิบาตามต่างๆคือมันมันไได้มาแค่แค่เดียวมันเรียกพัวกันมาเลยอำลังที่ทำหมอนะมันเรียกหมดเลยเก่าๆแม้มันไม่มีตัวไม่มีตนก็ตามพลังมันมี มัเหมือนแลนดอมมาเลยแสดงว่าทันทีที่เรารู้สึกตัวว่าซึมเศร้าเศร้าหมองเราต้องคิดถึงเรื่องก่อรีบเปลี่ยนจิกตก่อ น, นหรือรีบรู้สึกตัวขนาดนี้ว่ากำลังทำกรรมใหม่กำลังสร้างกรรมใหม่เพราะอันนั้นคือล่วงไปแล้วลากไปแล้วดับไปแล้วหมดไปแล้วไม่มดีมีอยู่จริงแล้วหากไปคิดถึงก็คือสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาเมื่อรู้สึกตัวขนานั้นปับ๊บไอตัวนี้ก็จะดับ จะไปสร้างกาไรมันจะระดับไหนการรู้สึบตัวขึ้นมาในขณาดนั้นก็ความรู้เข้ามาปับ๊บมันก็จะลกักใช่ไหมละ่ะพอละมันก็เกิดกระดับก็เป็นทุกนิโรธสมุทัยแั่ทุกสมุทัยนิโรธสมาร์การู้อยู่นะมันจะมันจะอยู่อย่งนั้นไมรู้จะสอนไปที่ไหนนะทุกสมุทัยนิโรธไม่ก็สอนอยู่ในขณาดจิตที่มันเกิดนั่นแหละไปสอนอยู่ตำราในกระดานมันก็คือสอนเรื่องภายนอกใ ช, ใช่ไหม แต่ถ้าสอนอาการที่เกิดกับเราดันอ่ะมันคือเรื่องที่เราจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองภายในตัวเองเราได้ประสบเองใช่มันคือความจริงช่เวลารู้แล้วมันก็จะรู้รู้เองโดยอัตโนมัติรู้เองโดยอัตโนมัติต่อต่อตกระจายเหงาผูกเป็นผลตอบอะไรใช่โดยไม่ต้องไปเปิดตำรารดวอ่างเง้ยใช่จ่ต้องเปิดตำราไง่างอี่าใช่พารู้พารู้อยู่ จ้ะค่ะอย่างเวลาเราไม่สบายเจ็บป่วยค่ะอาการเศ้าหมองอาการเขาเรียกอะไรกำลังจิตอ่อนใช่ไหมคะกำลังจิตมันจะอ่อนนะต้องผู้ผู้ที่อยู่ในอาการเช่นนั้นเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยชคนจะทําใจไม่ต้องทําใจก็บอกว่าเรากําลังเจ็บป่วยความเจ็บป่วยกําลังเกิดขึ้นกับเรานี่เขาเรียกว่าความเจ็บป่วยกายนี้ต้องมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นความเจ็บป่วยต้องเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา เมื่อมีกายอยู่ความเจ็บป่วยก็ต้องมีอยู่เรากําลังได้รับความเจ็บป่วยที่กําลังเกิดขึ้นและมีอยู่อย่างนี้พระสารคดาก็ตัดความเจ็บป่วยลงที่กายนี้มันไม่ได้ไปเจ็บป่วยนอกกายหรอกใช่ไหมมันก็เจ็บป่วยอยู่ในกายนี้เมื่อกายนี้มีความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในกายก็ถูกต้องแล้วที่มันเกิดขึ้นในกายมันไม่ได้เกิดขึ้นนอกกายมีหัวก็ต้องปวดหัวมีขาก็ต้องปวดขามีแขนก็ต้องปวดแขนมีตักก็เป็นโรคตักมีไตก็ต้องเป็นโรคไต มีหัวใจก็ต้องเป็นโลกหัวใจมีฟันก็ยังเป็นโลกฟันมีจมูกก็เป็นโลกจมูกมีตาก็ยังเป็นโลกตามีหูก็เป็นโลกหูมีอะไรก็เป็นโลกอันนั้นโลกก็จะเกิดขึ้นอยู่ในกายเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเกิดขึ้นจิตใจเราเศร้ามองหรืออ๋อจิตเรากําลังเศร้ามองเพราะความเจ็บป่วยมันกําลังเศร้ามองอยู่นี่คือความเศร้ามองของจิตจิตเศร้ามองเพราะหลงยึดความเจ็บป่วยอยู่เมื่อเราทําใจอย่างนี้ได้ปั๊บไอความเศร้ามองจะหายไปเองเชื่อสิแต่มันก็ต้องฝึกฝึกถ้าไม่ฝึก มันมีคนรู้ได้อยู่ น, นั่นเ่มันไม่ใช่มไม่มันมันที่พูดเนี่ยไม่ใช่คนไม่รู้ไม่ได้นะมีคนรู้ได้อยู่มันไม่ใช่เรื่องลอยๆอยที่จะเอามามาพูดหลอกเราให้ให้หลงยึดในอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องลึกลับนี้ลับมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับเกิดขึ้นกับชีวิตของเราคนรู้ก็มี ได<ป S>้จากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้รู้พ่านผูรู้ท<ม>่านสอนไว้อย่างนี้<ม>อาตมาแค่เอาเรื่องของผู้รู้มาบอกต่อพวกเราเสร็จอดก็สืบ<ก>นี่ไงก็ให้ต่อไปแม่พันก็ต้องสืบต่อไปห า, หาคนอื่นคนข้างเคียงสืบต่อกวามรู้ไปหาคนอื่นมันไม่เป็นตรงนี้ค่ะเอาก็เป็นได้แค่นี้ก็ยังรู้อยู่ก็พูดให้ใครคนอื่นเข้าใจไม่ได้มันจะรู้ใจไอความเข้าใจเป็นเรื่องเฉพาะคน ไม่ใช่เรื่องว่าเราอยากจะไปพูดให้เขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจอาตมาก็ไม่ได้ไม่ได้มีความต้องการจะพูดให้คนได้เข้าใจแต่อาตมาจะพยายามอธิบายทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเข้าใจจะอธิบายทุกเรื่องที่ให้เกิดความเข้าใจได้แต่จะเข้าใจได้หรือเข้าใจไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของอาตมา <laughs> ทุกค <laughs> นยังไม่เข้าใจเหมือนกันเนี่ยนะไม่เข้าใจเหมือนกัน มันเป็นภาระทางปัญญาเฉพาะบุคคลใช่เพราะพระพุทธเจ้าสอนในในในสาวกทั้งหลายใช่ไหมสอนเรื่องอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนทุกสรรพสิ่งไม่มีตัวตนของตัวเองเป็นอนัตตาทั้งหมดที่สูตรูปหนึ่งนั่งฟังอยู่ก็คิดว่าพุทธดีจังเลยไม่มีตัวตนกรรมทั้งหมดที่เราทําก็ไม่ตกกับเราเพราะไม่มีตัวตนเป็นผู้รับเราจะทําอะไรก็ได้ล่ะพี่เนี่เราจะทําอะไรก็ได้เห็นไหม พอบอกจะทําอะไรก็ได้ภาพขึ้นมาเท่านั้นแหละผูทีเจ้า ก, ก็เลยคิดขึ้นมาไม่ใช่ผู้เจากก้จาจะจับความคิดนั้นได้พิกสูการที่เธอคิดว่าเราไม่มีตัวไม่มีตนแล้ ว, ว, วกรรมเข้าไตกกับเราเราจะทําอะไรก็ได้นี่คือมิจฉาทิฏฐิเพราะขณะที่คิดว่าจะทําอะไรก็ได้มันเป็นกรรมจ <c oughs> น, นกรรมเกิดขึ้นแล้วเธอกําลังสร้างกรรมเลยเอาก็มันไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เหรอมันเป็นหน้าตาไม่ใช่เหรอจะให้ว่าไงพู้เจ้าก็เลยบอกว่ารูปเทียงหรือวิเทียง คือผู้ที่คิดตั้งใกระทาน่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะขณะที่คิดที่จะกระทํามานั้นกันนี้ลักษณะแห่งความไม่เที่ยงและนํามาซึ่งความทุกข์ความเห็นอันใดที่เห็นว่าอย่างนี้เห็นว่าการกระทาอย่างเนี้ยเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเราจะทําอะไรก็ได้เพราะไม่มีผู้แบกรับไม่มีตัวตนเป็นผู้รับกรรมที่ทํามาทั้งหมดเพราไม่ตกกับใคร ความเห็นอย่างเงี้ยหากยึดจับอยู่กับการกระทําที่จะกระทําขึ้นใหม่มันมันความไม่เที่ยงความเป็นภูมิและสิ่งที่มันจะต้องบีบคั้นจะต้องเกิดกับบุคคลผู้มีความเห็นอย่างนี้พอเข้าใจไหมถ้าไม่มีความเห็นอันนี้ก็ไม่เกิดมันไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงไปมันก็เป็นภูมิก็เป็นภูมิไปมันจะสล า, ายตัวก็สล า, ายตัวไปแต่บุคคลผู้มีความเห็นเขาไปยึดจับ นเนี่ยเห็นว่าความไม่ไม่มีตัวไม่มีตนถูกแล้วแหละแล้วเราจะทําอะไรก็ได้เพราะกรรมจะไม่ตกกับเราความเห็นแล้วทําลงไปด้วยความเห็นอย่างเนี้ยจ ะ, ะใช่ความไม่เที่ยงความเป็นภูมิและความไม่มีตัวตนเราเนี้ยมันจะ ม, มันจะบีบคั้นบุคคลผู้มีความเห็นผิดให้ได้รับความทุกข์ตลอดกาละนะ มันก็ทําให้มันเป็นเรื่องค้อมเข้าใจที่เราต้องเข้าใจบางทีว่าโยมเขาไปสงสารหมู่คนมากความสงสารก็เป็นกรรมใหม่เม่อกี้เขาบอกรรมมาแล้วหนูน้อที่ผ้าอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็เห็นเขาว่าอ๋อเขามีกรรมตรงนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะอธิบายเขาเขาได้ก็ไม่ต้องอธิบายคก็เลย เขาเก่งเขาก็อวดเก่งก็อุ้งอวดอธิบายไม่ได้แล้วตัวเองก็โมโงงเงาเลยดีแล้วแหละดูแบบโมโงงเงาไปวันยังไม่สามารถจะอธิบายเขาได้วันกี้ก็สงสารเขาเนี่ยนน่นคนอธิบายได้อยู่นน่นไม่อเป็นหน้าที่ของคนที่อธิบายเก่งกว่าไอ้เก่งกว่าอีกไม่ใช่แม่แม่เก่งกว่าอ๋อ ดูอารมณ์ดูอารมณ์ัเหมือแต่งไม่ดูอรดูอแต่ไม่ได้โกรธเท่าไหรดูกลนเวลานั่งรถนะดูก้นตัวเองนั่งดูก้นตัวเองพอดูเป็นไหมดูกลนตัวเองอาจามาสอนลูกศิษย์นง่ายๆนะ้อาชญ์นั่งสมาธินั่งยังไงนั่งดูกลนตัวเองอันพอรู้เรื่องสิกน โอ้เอามานั่งดูคนตัวเองได้อะไรนั่งดูไปพนาวะนั่งดูคนตัวเองนั่นน่ะดูคนที่มันสัมผัสกับพื้นอยู่นั่ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอย่าให้มันขาดหายออกจากการดูดูไปดูไปไม่ต้องทําอะไรเลยหรือไม่ต้องบริกรรมเลยไม่ต้องไม่ต้องดูลมหาใจออกเลยไม่ต้องนั่นคือการดูตัวเมื่อเวลาขับรถไปเนี่ยถ้าใครขวังหน่อยอะไรหน่อย ให้บอกย้อนนั้นเราคือตัวเราเองว่าเออเราก็ก็อาจจะรับการเราอย่างขนาดที่ติดป้าอะไรเงี้ยไม่อก็ออกไปแล้วเฮยขับนเล้วเคยติดไปกับตาโลดอ๋อนั่ติดไมน่กับตาโดแล้วเคยเคยผลให้ตาโลดวายมันติดเป็นนิสัยหากเราหากเราเห็นเห็นโทษนะเห็นโทษที่จะขยายออกไปจากการกระทาของเราในบุคคลอื่นในวงกว้าง หยุดหยุดให้หยุดที่ตัวเองนะแต่ถ้าเห็นประโยชน์ปล่อยออกไปแต่ถ้าเห็นโทษหยุดที่ตัวเองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอ๋อแต่ปเจมันีเีร้นมามันก็หมดอย่างนี้ไงไม่เทือนไม่เกี่ยวไม่จะเทือนจะไปเกื่อนทาไม แอนจรแล้วเลยแอนองวโอนั่นแหละมันไม่กระเทือมันมีกระเทือนพขาอยู่กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแอนก็คลายปติดเชื้อมาแต่ต้นแต่ต้นเอเหมือนคนเดียวเลยปล่อยเชื้อสามคนเลยทั้งแอนทั้งเอทั้งออฟเลยเหมือนกันกระพาะนะลูกพ่อเนาะลูกพ่อเ็นลูกพ่อไม่ใช่ลูกแม่จำไม่เลยอ๋อคนนี้มาลูกพ่อไม่ใช่ลูกแม่ก็ให้เป็น เป็นลูกของพ่อไปเราเราก็จะเป็นเราอย่างนี้หละยิ่งแอนดิ้งลงไปทะเลไปเขียงสองคนนเสุดๆเลยก็ธรรมดาคนมันมีมันมีอะไรมีความรู้ที่จะเขียงก็ต้องเขียงทีเนาะการตั้งิ่งๆิไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไปเลยเราเป็นห่วงเขาเราเป็นห่วงทำไมทุกคนมีอยู่ด้กรรมของตนอันนี้เรียบร้อยดีไหมครับไหนเกี๋ยวเลยนนที่ว่า ทำทำดีดีกว่าดียังไม่รู้เลยอะไรดีจะไปติดได้ไงใจฟันคิดว่าใจฟันน้องเป็คันเขาคนเลยรักษาตัวเอง่แการพูดอะไรที่จะไปบุบเบิลไปต่อถึงอะไรเขาบางทีการแสดงออกถึงการรักษาสิทธิ์ของตนเองก็แสดงได้มันไม่ใช่จะไม่แสดงอะไรออกมาเลยก็ใช้ไม่ได้ขณะมีคนอในห้าง่ะคะอีกแค่สอองคันเนี่ยมันว่าง มันมีมันมีรั้ว่มรั้วบานอยู่อะเราก็กําลังจะถึงและอีกสองคันมีผู้หญิงคนนึงวิ่งข้ามเลยมายมายืนจอดไว้เอ๊ ก, ก็มันทําไม่ถูกเอกบอกว่าเรากําลังจะข้าม เ, เรากาลังจะจอดแต่ข้างหูซอยไหนไม่รู้จะลงไปบอกเขา้ไม่ใช่ผมบอกให้สลห้เขาอ๋ออันนี้ใจดีอันออ น, อนี้ใจดีคือสลายเขา ก็เรารู้ทําแล้วเราก็จะไปเลียงกะลาดใจแต่บอกเขาว่ามันไม่ถูกต้องแต่บอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกนะเพราะคนสูงเูาใจต้องไปรอกลับมาทำงานแล้วมันจะอ๋อมันเรื่องอย่างนี้นี่เองใจมันมันก็ธรรมดานั่นแหละมันมันเป็นอย่างนี้แหละคือเขาก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นอย่างนี้แม่พันธุ์ก็ต้องเป็นอย่างนี้แม่พันธุ์ก็ต้องเข้าใจจะไม่ปวดธเขาค่ะแค่จะไปบอกเว่ามัน ทุกคนก็รอต่อแถวกันอยู่เพราะพูดจริงๆมันต้องมีน้าเสียงคือเสียงหน่อยก็<โ>ด<ย>ีนโะอเคคแต่ถ้าจะเอาทีดีก็มันก็เอาอะไรไม่สักอย่างในโลกนี้นะมันเหมันจะเอ า, เอาดีสรุปในเรืงสรุปของหลักกรรมก็รู้รู้รตัวเองเลอ๋อเรากำลังจะการทากรรมใหม่แล้วเรากำลังจะทำกรรมใหม่แล้วพอรู้ปั๊บก็จะตัดตๆดตตไปทุกๆุขนะตัดๆัเมื่อถูกตัดไปเรื่อยเรื่อยืืย มันจะลดทร อ, อนเกตนาที่จะไปแท้สร้างแรงแห่งความอยากที่จะกระตุ้นให้ผักดันให้เกิดกรรมใหม่อยู่เรื่อยๆมันก็จะลดไปลดไปลดไปลดไปลดไปสุดท้ายนี่มันมันไม่เอาอะไรไม่มีอะไรไอยากว่าใครไม่อยากจะด่าใครแต่นี่ก็ยัง <c oughs> อยากจะว่าลูกอยู่นี่ <c oughs> มันก็เหมือนกับยายพันุ์ที่เขามาแซงตัวเอง จะซื้อของนั่นแหละแล้วอยากจะกระโดดทีเ้าหนาคืออยากจะกระโดดทีมุกเลือนมุก็ลคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าแม่พันธ์ไปกระโดดทีเ้าเนะ่ยเาจะไม่ว่าอะไรแม่พันหรอกเพราะอะไรเพราะถ้าแม่พันไปกระโดดทีเขาเนี่ยแม่พันจะกระเด็นไปนู่นนอกร้านแล้วไม่พอที่จะทีเขาหรอกอะไรถ้าไม่เกิดกับตัวเองยังไม่รู้หรอกนะมันมีการเผลอตัวมันมีการลืมตัวมันมีการ นิสัยเก่าๆมันจะออกมาดันๆอดแล้วั่นจะไกระโดดีอ่า้อายุขนาดนี้แล้วนั้นจะยืนไปกระโดดทีบเขาเองอัตมาว่าเขาจะยืนให้ดีบ่ะแล้วเขาจะไม่เซไปไหนเราไม่พัามอาจะกระเด็นออกนอกร้านมีแรงถีบเขาที่ไหนหรอยืนดูอาการเอเยเป็นอย่างนี้เลยไม่เคยคิดจะถีบใครอะไระเคยมี มีความอยาบๆอย่างนี้เลยไม่ใช่แต่แทนไอ้บดแดงเข้าสิงกันโอ้ยแต่บดแดงเข้าสิงกันเยอมากเลย ถ้าบอกมันปล่อยมันเลยนะกล้าบอกมันมันก็จะปล่อยเลยปล่อยเลยแล้วเราจะดูสภาว่าทำไงปล่อยแอนนมันส่งจังเลยลูกคูลูกครูก็เก่งเลยดูไปมันดูเพราะเล่นละครกันไปในโลกนี้ได้ปัญญาในสติเรียนรู้ไปเขาจริงจริงนะนี่ต่อมานึกจริงต่อมาไปที่ไหนกับใครก็อยังงี้แบบก็ปล่อยเขาไปเรามีหน้าที่ในการนั่งก็นั่งไป เขาจะขับไปไ<ห>นชนที่ไหนก็แล้วแต่เขานี่ล้วก็นั่งอย่างเดียวนี่ถ้านนี่เรานัง่งเราไม่ได้เป็นคนขับมันจะพาพี่สิบตอลบก็ไม่เป็นไรเพราะจะนั่อยู่ที่นะเอาจริงๆก็<อ><อ>ทําไม่ได้ก็ต้องท่ายืนนั่งอยู่รถรถคันเดียวกันเนาะเข้าใจวะง่าย <c oughs> ๆแค่นี้แต่รถบางทีนั่งก็าจะตลดนัง่งหลับตลบจะแกล้งเบ เปุโุกโพ่อเาๆเออนั่นเรียกสติพอเาเบาแตเแก้นี่ต้องเหมือนกันหลในเวลาเรามากหรอนี้ได้สาระหรือยังท่อนสองนี่ได้สาระหรือยังได้ได้แล้วนะอาจารยอยอีก่ั่มงมาที่บอกว่าจิตเนี่ยมาจากนามขันศีค่ะใช่ ถ้าถ้าขันใดขันหนึ่งบกพร่องไปสูญเสียไปค่ะยังจะเป็นสิอยู่ได้ยังย่างคุณว่าตอนเกิดบัติเหตุหัวไปนนอกพื้นสูญเสียความจำหมดไหมคะ่ะก็มันมันก็เป็นจีดได้อยู่ขนาดขนาดเข้าดับเวทนาได้ด้วยชานะดับเวทนาดับสัญญาดับวิญญาณการรับรู้ทั้งหมดได้เหลือแต่รูปประชามเป็น เป็นเตียงแค่วัตถุหนึ่งที่ตั้งอยู่เฉยๆจิต ก, ก็ยังมีอยู่ในนี้เพียงแต่ไม่ออกมาทําหน้าที่พรมันถูกกดข่มไปด้วยอํานาจของฌานเรียกว่ข่มรูปภาพเนี<ๆ>เหมือนกับก้อนหนินที่ตั้งหรือหรือว่าถูอันหนึ่งที่ตั้งอยู่เฉยๆไม่มีจิตอันนี้มีจิตไหมไม่มีไงมันไม่มีหกคนที่ทําฌานได้ถึงในชั้นเรียกวอสัญญีอสัญญีสตัตตังือเนี่ยจะนิ่ง เหมือนกับพ้อนหินไม่มีจิตแต่จิตมีแต่ไม่มีอาการของจิตไม่มีอาการของเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณเลยแต่จิตจิตมันมีแบบแฟ้งๆอ่อนๆอยู่นี่นะเหมืนจิตเข้ามาเหมือนหลอกเลือดใช่เพรอาศันนีสัตว์มันไม่มีเจตสิกให้ให้มันได้แสดงถ้าจะพูดถึงเจตสิกก็ฌานเป็นเจตสิกมันรวมอยู่ในฌานหมดใช่ เจ้าป้าอ่อนก็ไม่ใช่แต่มันไม่แสดงอาการของของของจิตชัดแต่มันก็แขงอยู่ในกําลังของฌานที่ฝึกขึ้นมาที่เพ่งขึ้นมามันไปรวมอยู่ในฌาน ม, มันไ ป, ไปเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นตัวฌานหมดเลยฌานทำหน้าที่ในการดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับยิน ญ, ญาณเหลือแต่ลูกใช่เหมือนกับรูกมีเหลือแต่ลูกนิ่งๆแต่มันนิ่งอยู่ได้ด้วยองค์ฌานองค์ฌานทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาด้วย การปรุงแต่งของจิตคือมันปรุงแต่งตัวมันจนดับตัวมันแต่มตัวมันก็อยู่ในฌานนั่นแหละถ้าจะพูดถึงจิตก็คืออยู่ในฌานทั้งหมดแต่ไม่มีจิตที่แสดงต่อบสอนสองตอบภายนอกเพราะกําลังของฌานแบบนั้นมันปิดการรับรู้ทั้งหมดมันเหลือแต่ ร, ปปรูปรูปธรปรมดาในตอนมาเก่าไว้ว่า พรมรูปฟัาพรมอสัญญาสัตว์ตาพมเนี่ยจะนั่งดูพระรูปเป็นตัวอย่างพรมรูปฟัาเป็นอย่างนั้นนั่งอยู่อย่างนั้นนิ่งอยู่อย่างนั้นเหมือนกับพระทศรูปนั่นแหละรูปปั้านั่งอย่างนั้นไม่มีกระดูกกรดีไม่มีจิตจิตไม่มีแต่มีแต่มันไม่มีไม่มีอาการมันนะใช่มันมันไม่มีมันไม่มีการแสดงอะไรออกมาไม่มีเวทนาสัญญาสังขารอย่าง่นั้นวิญญาณไม่มี แต่มันมีอยู่ในชานั่นแหละคือมันมีอยู่ในรูปของชานแต่พขไม่เรียกว่ามันมีขอพอออกจากชานแล้วก็ถึงจะค่อยใช่ชานเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมพอเสื่อมปั๊บมันก็ก่อตัวมาเป็นจิตปรุงแต่งออกมาเป็นจิตตามภาวะปกติดังเดิมขอจิตผมก็ย่พ้นผมก็ยังไม่พ้นไงกําลังของชานมันเสื่อมได้คนธรรมดาเนี่ยมีอาการที่ว่าสูญเสียความจําะไรมันขาดสัมพนได้นะครับ เทียบอย่างนี้อย่างไ้แม้ขันขันใดขันหนึ่งจะสูญสิ้นไปแต่ความเป็นจิตที่ยังมีอยู่ยังสือต่ออยู่ยังสือต่ออยู่น้องชายก็โลดแต่ชเป็นเส้นเลือดขาดหมดแล้วแต่ีความรู้สึกมันยังพูดอะไรเขาก็รู้หมดอย่างนี้มคือ ตอนนี้นอนเป็นสมองพึ่งสภานอนลุกไม่ได้อะไรเงี้ยคือเส้นเล็กเลือดตอบสนองตามการสั่งการไม่ได้แต่เราดูเรัทราบได้ใช่ไหมก็เป็นอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าอามาพึ่งอามาพึ่งอามาผ่านก็เป็นอย่างนั้นแหละตอบสนองสั่งการใดๆไม่ได้นี่แหละที่พุทเยอา บ, บอกว่ากายนี้ไม่สามารถบังคับบัญชาได้บางคนบอกทําไมบังคับบัญชาไม่ได้ที่นียืดเหยียดไปเรื่องได้อยู่เห็นไหม มองซ้ายมองขาวายังมองได้อยู่เนี่เยเงยก็ได้ก้มก็ได้ไหนบอกว่าบองคับบัญชาไม่ได้ไปเป็นอมภารแล้วเป็นไงจะยกแต่ละทียกได้ไห ม, ะมจะเกาหลังแต่ละทีเกาได้ไ่ะบังคับได้ไหมแต่ไปรู้ตอนนั้นมันไม่ทันนะทีนี่ทุกฝึกรู้ตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่ยังไม่เป็นอะไรนี่ไ ป, ไปไปไป<ม>เป็ น, ปนอมพภิอพารแล้วมีแต่เสบยผล จะไปสร้างสติสร้างปัญญาให้รู้เท่าทันแล้วก็ยากโ อ, อมันบังคับไม้ท้าไม่ได้อย่างนี้ก็ก็ไม่ได้ถ้าฝึกไว้อย่างนี้พอไปเจอเหตุการณ์จริงปับ๊บก็จะเข้าใจทันทีเลยอ๋อมันบังคับบัญชาไม่ได้พระุทธเจ้าก็ตัดไปแล้วว่ามันไม่สามารถบังคับปัญชาได้กายไม่ใช่ของเราเป็นอ น, นัตตาควบคุมไม่ได้อยู่เหนือการควบคุมมันอยู่เหนือการควบคุมอย่างนี้นี่เองแงไม่ล่ะเกิดปัญญาเลทีนี่กับคนที่ไม่ยอมไม่ได้ฝึกอะไรเลยเกิดอย่างนั้นขึ้นมา ก็ไม่เกิดปัญญามีแต่เกิดแรงอยากอยากหายอยากรักษาอยากมียาอะไรไม่อยู่น่ะไม่ได้เข้าใจว่าบังคับรรชาไม่ได้ก็รับรู้อยู่ก็รับรู้แต่ทรักษามอนานเลยคนเสี่ยงมาอาจารย์คยอมนงนอนนะคะค่ะคำถามมันบอกว่า กลับเรียนครับพระอาจารย์ทางโลกบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐที่สุดแต่ในทางธรรมบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์ใช่ขอพระอาจารย์การเกิดเป็นมนุษย์นีประเสริฐที่สุดแล้วเพราะมนุษย์สามารถกระทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ได้มันแปลกตรงนี้ เกิเป็นทุกข์ใช่ไหมคะอา น, นั้นพูดโดยสัจจคพูดในแง่สัจจคคือการเกิดเป็นความทุกแต่การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นการเกิดที่ประเสริฐที่สุดเพราะมนุษย์สามารถกระทําซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ได้พยายามเทวราไม่ประเสริฐเทวราไม่ประเสริฐมันสบายเกินไปมันหาทุกข์มากําหนดรู้และกระทาซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้แต่เขาบอกอ้อกบเทวราก็าบรรลุทํามั้งเยอะแยะ ใช่เทวดาบรรลุธรรมเยอะแยะนั้นคือเทวดาที่มีอุปนิสัยรอฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์ใช่ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดเป็นเทวดามีไหมไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อยู่ในรูปของเทพไม่ได้อยู่ในรูปของพระเทวดานั้นน่ะก็ต้องมาอาศัยบุคคลผู้เป็นสัมมาสัมพุทธทที่เป็นมนุษย์เพื่อฟังธรรมของพระองค์แล้วกระทาซึ่งที่สุดแห่งทุกก็มนุษย์ไงจึงประเสริฐเพราะเป็นผู้กระทําซึ่งซึ่ ที่สุดแห่งทุกข์ได้และความเป็นสัมมาสัมพุทธะในตัวคนเนี่ยจะต้องมีอยู่ในโกมนุษย์นี้เท่านั้นไม่อยู่บนเทวโลกแล้วม่อยู่ในมนุษย์โลกการเกิดเป็นมนุษย์จึงประเสริฐที่สุดการเกิดเป็นความทุกข์คือพูดในแง่สัจจการและความประเสริฐของมนุษย์ก็คือเพื่อกระทําซึ่งที่สุดแห่งทุกข์เพราะการเกิดเป็นทุกข์นั่นแหละจึงจะต้องมาทําซึ่งที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบให้ได้นะ มันยากอยู่หรอเรื่ อ, องนี้ก็ไม่า่ายเลยอะฮะให้ยากนะาากัจจายนย่อมนั้ น, นอนอค่ะอืมกนกระบวนการเกิดทั้งหมดคือมนุษย์ประเสริฐสุดนะครับใช่ในบรรดาการเกิดที่จะเป็นความทุกข์เนี่ยมนุษย์ประเสริฐสุดเทวราก็มีทุกพรหมก็มีทุกแต่ไม่ประเสริฐเกิดในเทวราและพรหมไม่ประเสริฐ ดีไหมล่ะดีแต่มันไม่ประเสริฐเกิดเป็นเทวราดีนะดีเกิดเป็นพรมดีนะดีแต่ไม่ประเสริฐจะประเสริฐก็ประเสริฐทุกย่างมนุษย์เรานี่ประเสริฐที่สุดข้างซ้ายว่าเกิดเป็นมนุษย์นี่สามารถเลือกทางของตัวเองได้ใช่เลือกทางได้เพราะว่าจะไปเป็นเทวราก็ไปจากมนุษย์ที่ได้กระทำกรรมไปเป็นเทวราจะไปเป็นพรมก็ทํากรรมขนาที่เป็นมนุษย์ที่จะได้เป็นพรหม ถ้าไม่มีมนุษย์เลยจะไม่มีอรหันต์ตัมสมาสพุทธะในโลกเมื่อไม่มีอรหันต์ัตสมาสัมพุทธะในโลกเท ว, วดามีไปก็จุตินะจุติไปเป็นกำเริดสารชาั้นเป็นที่เป็นารสุรไกยมันก็หมุนเวียนอย่นมันแก้ตัวเองไม่ได้แต่ถ้ามามีมนุษย์โลกขึ้นมาปั๊บโลกของมนุษย์เป็นเป็นสถานที่ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติ ก, กรรมและแก้ไขตัวเองและจะพัฒนาตัวเอง<ม>ไปในด้านไหนอยู่ที่โลกมนุษย์ทำอยู่ที่นี่มนุษย์จึงเป็นศูนย์กลางของการบำเพ็ญทั้งปวง ไปบำเพ็ญบนเทวโลกไม่ได้นะไปบำเพ็ญในชั้นผมก็ไม่ได้นะบำเพ็ญในชั้นธรรมมนุษย์โลกนี้เท่านั้นมันเป็นศูนย์กลางของดวงกิจทุกดวงใจต้องมาผ่านจะไปนรกก็ต้องมาทํากรรมชั่วใ น, ในมนุษย์นี้ถึงจะไปนรกได้หากอยากจะพิสูจน์ว่านรกมีจริงเกิดมาทั้งชีวิตทําชั่วอย่างเดียวเลยได้ไม่มีใครว่า แล้วทีนี้ฟังทำรรแล้วก็ศึกษาทำปฏิบัติต่อไปที่เราอยู่เกินในส่วนเนี่ยเอาอบุญที่เราเรียนมาแล้วอะไรแล้วทําต่อได้ไหมทําต่อได้แล้วพ่ที่ฝึกมาแล้วใช่ก็ฝึกจากมนุ ษ, ษย์นี่แหละไปทําต่อบนน้นสามารถบรบรลุได้บรรลุได้แต่ถ้าไปปฏิบัติอยู่บนนู้นไม่ได้เริ่มต้นจากการฝึกอบรมจิตใจในขณะที่เป็นมนุษย์ไปปฏิบัติต่อบนนู้นหายากมากแทบมจะไม่ได้เลย ส่วนมากมีเหตุปัจจัยจากความเป็นมนุษย์ทั้งนั้นหมายว่ามนุษย์นี้มีคุณค่ายอย่างนี้ที่จะก็มีคุณค่าค <น S 1> ไง<บ>มันจึงปรากฏมีเรื่องเราอยู่บนสอบัตที่เขาเล่กากันว่าโอ้พระสมมาสามพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วดีแล้วเป็นการดีแล้วหนอะา้ที่พระสมมาสามพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเราจะได้อะไรจะเจริญกุศลจเจริญการปางธรรมเดี๋ยวสนุกกันก่อน ผู้นี้ค่อยไปอะไรพอพอร้อยปีผ่านไปผู้เมก็ไปที่พานนะเป็นที่เศร้าใจหนอทีนี้ผ้อไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแต่วันเกิดแล้วั้าตามารย์ถาถ้าได้เกิดเป็นเทวดาพอหมดจากเทวดาต้องลงไปนรลกหรือมาเป็นเทวชันตกสวรรค์จริงไหมใช่ตกสวรรค์จริงโอ้โหลาเวอร์ชั่นใช่พละเวอร์ชั่น มีด้วยนะคะก็มีสิทำไมจะไม่มีโมกขลานาครับที่วัดโมกขลานาครับที่วัดต๊ะรุโลก่อนิตใช่คุณเจ้ก็เหมือนกับคนขึ้นตําแหน่งตําแหน่งชั้นสูงถามว่าอยู่ได้ตลอดไหมล่ะก็ลงมาสู่ชั้นต่ำได้ได้เหมือนกันเราก็เห็นกันอยู่อยู่ในชั้นสูงสัตว์ ลงมาสู่สามันแบบพลิกมือก็ยังมีนะอออเ อ, าอ้ามีสิทำไมยังมาขายปลาท่องโกีเศรษฐีพันล้านมาขายปลาท่องโขก็ยังมีจะเียนาาังนนั้นเป็นมนุษย์ใช่มนุษย์เท่านั้นที่ที่สามารถที่จะบังนใช่มนุษย์ประเสริฐแล้ว แต่มนุษย์บางจาพวกไม่รักษาความประเสริฐในตัวเอง mm hmm. แล้วก็กระทำกรรมเพื่อลดทอนความประเสริฐในตนเองลงกล้มหัวกาไว้ผีปีศาจเทวดาพรหมไม่รู้จักความประเสริฐในตัวของมนุษย์ไวหว้นาคซึ่งเป็นเลขฉานอันนี้ไม่ได้พูดผาดพิงพูดตามหลักคำสอนและหลักแห่งสัจจ ครับคิดว่าพูดพลาดทิท้งก็เป็นเรื่องความคิดของคนเพราะสัจจะมันเป็นอย่างนี้ว่ามนุษย์เนี่ยประเสริฐแล้วดีแล้วไม่ต้องไปไหว้ใครที่ไหนอีกมนุษย์กับมนุษย์ไหว้กันได้บุญมนุษย์ไว่าไหว้ผีไม่ได้บุญมนุษย์ไหว้เทวราไม่ได้บุญมนุษย์ ไ, วไหว้พรไม่ได้บุญมนุษย์ไหว้นาไม่ได้บุญมนุษย์ไหว้สัตว์พิการไม่ได้บุญมนุษย์ไปหลอดท้องช้างไม่ได้ไปแก่ ก, การแก้ไขสะดาะ อ, อะไรเลย พอมนุษย์ประเสริฐแล้วเป็นรอดใต้ท้องสัตว์เดรัจฉานที่ไม่ประเสริฐเอาความประเสริฐของตัวเองไปทําลายเอาไงตัวเองได้ฐานะอันประเสริฐทำไมไม่สร้างความประเสริฐนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกระทําซึ่งที่สมควรโดยชอบนั่นคือเส้นทางความเป็นมนุษย์ที่พึงกระทําอยากจะพ้นทุกข์ในอวยัยวงทายัางไงยึดลัตนตายรักษาศีลใช่ไหมอยากจะพ้นทุกข์ ในโลกมนุษย์ก็สร้างสวรรค์ขึ้นมานด้วยกุศลธรรมรักษาศีลอุโบสถอยากจะพ้นทุกข์ในสวรรค์ไม่อยากจะไปเกิดเห็นว่าสวรรค์ยังมีทุกข์อยู่ก็ไปเกิดเป็นชั้นพรหมจเจริญเมตตาพรหมวิหารขึ้นอยากจะพ้นทุกข์ในพรหมก็ท่าอริยมรรคขึ้นเพราะอริยมรรคจะดับการเกิดในพวกทังวงไม่เกิดในสวรรค์ไม่เกิดในพรหม ไม่เกิดไปสู่กำหนดสัจธรรมไปพ่ปีศาสอสุรกายก็สร้างทางอริยมรรคขึ้นเรียกว่านิพพานไปสู่นิพพานส่วนอะไรจะเข้านิพพานเป็นเรื่องประ จ, จักษ์ตังอย่าไปกำหนดหมายการเข้านิพพานว่าเป็นอะไรเข้าถ้ามีเป็นอะไรเข้าไปมีตัวตนเข้านิพพานเสร็จอีกแบบ<ด>นี้หลงปิดกั น, นอีกนะยาวนาน หมดหรือยังคำถามนี้ไม่มีมั้งกับ<ม> <c oughs> วันนี้นะแถวนั้ประกาศลาจัก็อขออนุโมทนากับญาติโยมที่รับชมรับฟังอาจจะติดขัดบ้างก็ขออภัยในการถ่ายทอดในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วก็จะเวยพรให้กับโยมที่กับลำปาง ขออำนาจ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบรรันดาลบุญกุศลที่ได้เกิดจากาการถวายทานบุญกุศลที่เกิดจากาการรับฟังธรรมเทศนาบุญกุศลที่เกิดจากาการแสดงธรรมของอาตมาขอบุญทั้งสาประการ น, นี้จงเป็นมหันต์ตัดเดชทังภาพติดตามปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงพ้นจากเวรไภทั้งปวงพ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงเข้าถึงแต่ความสุขความเจริญ จนกว่าจะเข้าถึงขั้นิพานในปัจจุบันากาลและอนาคตกาลทุกท่านเอาธอส